ท่านผู้ที่สนใจไฟในศีลในธรรมทุกๆ ท, ท่านเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปจะกล่าวท ร, ร ม, มีคาถาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสติให้เกิดสมาธิ ให้เกิดปัญญาให้เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปตั้งแต่วันนี้ต่อไปจะพูดเรื่องบารมีสามสิบทัศพูดไป ละข้อละข้อเรื่องตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มบารมีวิริยะบารมีกันติบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมี เมตาบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาปารมีคำว่าปารมีหรือบารมีเนี่ยเราต้องสร้างไม่ใช่อยู่ๆมันจะมาหล่นตุ๊บเราต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นทางกาย ให้เกิดขึ้นทางวาจาให้เกิดขึ้นทางจิตใจคนรอบข้างหรือคณะสัตยาจุ่มเขาก็จะเกิดศรัทธาแต่สาทะความเรื่มใสในตัวของบุคคลนั้นๆดูตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มา ตั้งแต่ต้นบรร ญ, ญัติตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยสองบันกว่าปีนี่นักสร้างบา ร, รมีหลายองค์ภาคเหนือนเราก็คู่บาศีวิชัยนักสร้างบา ร, รมี องปูเ่เกษมเขมิโกอาจารย์วิชัยเขมิโยอาจารย์คูนติขวีโลพวกนี้มีแต่สร้างบารามีทั้งนั้นแต่ก็สร้างไปในทางชอบธรรม ถูกต้องตามธรรมไม่ได้สร้างแบบอิทธิฤทธิปาฏิหารอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ค่อยมีเขาสร้างบา ร, รมีแบบแท้แท้ไม่ใช่เทียมเทียมฉะนั้นทานบา ร, รมีเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การให้เลยหนึ่งให้วัตถุทาน คำว่าวัตถุทานได้แก่อะไรได้แก่ข้าวของเงินทองเสื้อผ้าอาหารสบู่ยาสีฟันหนังสือดินสอยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เขาเรียกวัตถุทาน คือเราต้องให้ออกบ้างให้ทำไมอ่ะเพราะยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งได้แต่ยิ่งจะเอามันยิ่งจะไม่ได้คิดแต่จะเอาน่ะมันหนักแต่แต่เราคิดจะให้เนี่ยมันเบาเห็นไหมคิดจะให้อะไรใครเนี่ยมันเบาใจสบายใจหไหม คิดจะเอาของอะไรของใครเนี่ยมันหนักใจนะเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีนะเอ๊ะยังไงอะ ไ, งไรประมาณนะี้ใจมันก็วุ่นวะวุ่นวายลนะแทนที่ใจมันจะโปร่งเบาสบายไม่มันหนักใจแาะนั้นเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญา สติคือรู้บวกปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนั้นอนะแก้ไม่ได้ชาตินี้ทั้งชาติก็แก้ไม่ได้หมายถึงแก้ใจตัวเองไนะฟังธรรมะก็ฟังไปอย่างนั้น ฟังแล้วก็ไม่ไม่นำไปใช้ไม่นําไปพิจารณาไม่นําไปคิดไม่นําไปวิเคราะห์ไม่นําไปแจกแจงไม่นําไปแยกแยะ ก, ก็สักแต่ว่าฟังไปฟังไปฟังไปเพื่อไม่เสียมารยาทบูคณะก็ฟังแล้วก็ฟังไป ถามว่าดีไม่ก็ดีก็ดีกว่าไม่ฟังแต่ฟังแล้วมันต้องแก้ไขได้อิทธิพตปฏิหารเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่ไม่ทรงสรรเสริญนะใครๆก็ทำได้ถ้าจะทำ อิทจดิสปฏิหารอาธิษฐานปฏิหารนี่ใครๆก็ทำได้ทายใจคนอื่นเนี่ยทายได้เพราะมีญาณอย่างรู้เองอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญเนอะ แต่พระพุทธเจ้าสารรเสริญอนุาสาสนีปาติหารหมายความว่าสั่งสอนคนช่วยกลับเป็นคนดีได้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกวันเนชอบอิทธิฤทธิปาฏิหารกันเยอะที่ไหนครั้งๆังที่ไหนศักดิ์สิทธิ์โอ้ยแห่กันไปโยมก็มันไปตามกระแส ไปบนบานสันกล่าวไปขอนู่นขอนี่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ส่วนใหญ่จะผิดหวังขณะพระพุทธเจ้าพระองค์ยังโดนบันดาลอะไรให้ไขไม่ได้มันมีที่ไหนคนอื่นจะโดนบันดาลไห้ได้ยากขนาดพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยัง โดนพันดาลอะไรให้ใครไม่ได้เลยต้องทำมาเองพระองค์บอกต้องทำมาเองนี่พราหมณ์ท่านหนึ่งสมัยโบราณไปทูลถามพระพุทธเจ้า ถ้าแต่พระองค์ท่านผู้เจริญเหตจะไหนหนอพระองค์ทรงมีทั้งบุญญาบารมีอิทธิฤทธิปาฏิหารทำไมพระองค์ไม่โดนบันดาลให้มนุษย์เกิดมาบนโลกไปนี้เสมอเหมือนกันหมดพยะยะค่ะเห็นไหมมีพรามทูลถามนะสมัยก่อนไม่ใช่ไม่มีพระพุทธองค์ก็ตัดมาดูก่อนพราม เราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้านะสิ่งที่ให้เธอไม่ได้มีอยู่สี่สิ่งหนึ่งผลของบาปผลของบุญก็เรียกพี่บากกรรมนี่ใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เลยบาปบุญสองปัญญา เราอยากมีปัญญาเราก็ต้องศึกษาคนา้นคว้าอ่านท่องจำาีันทำไมจะทำะไม่ได้ถ้าเราจะทำทุกอยาก่างมันไม่เหลือวิสัยสามธรรมสิวิไลความลึกซึ้งของจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งกว่ากันเยอะเลยเทียบเคียงกัน ไม่ได้เลยครับผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยการแสดงออกมันจะไม่ไม่เหมือนกันเลยคนที่มีธรรมะสิวิลีลเขาจะแสดงออกแบบลุ่มลึกละมุนละม่อมละมุนละไมละเอียดอ่อนแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมส่วนมากก็จะไม่ค่อย ละเอียดอ่อนไม่ค่อยละบุนละม่อมคือตรงกันข้ามเลยอ่ะอันเนี้ยสังเกตได้ง่ายสีวาสนาเห็นไมทั้งพระทั้งโยมนั่งอยู่ในวาสนาไม่เท่าเทียมกันหรอกบุญบรารมีก็ไม่เท่ากัน ทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเพราะเราสั่งสมมาไม่เท่ากันไงถ้าเราสั่งสมบุญบารมีเท่ากันมันก็รวยเหมือนกันหมดเยจนเหมือนกันหมดทั้งพระทั้งโยมมีทั้งจน ม, งมีทั้งรวยมีทั้งรู้และทั้งไม่รู้เห็นไหมเขาเรียกว่าสนามบารมีมันต่างกัน เะนั้นเราจะต้องสร้างเนี่ยทานบา ร, รมีเนี่ยให้มันมีวาสนาดูหลวงปูคงป่คูหลงพ่อคูวัดบ้านไล่ให้หมดเดินกกเป็นกระสอบก็บสอบเลยถาวายในหลวงตั้งเท่าไหร่จำได้ร้อยกว่าล้านนาหลวงเสด็จมาเยี่ยมแกแกถาวายร้อยกว่าล้านพระจนๆพระบ้านนอก ดูลักษณะแกกครับแต่โอโหเวลาคนมาหาท่านน่ยมาจากทั่วประเทศเลยนะต้องไปรอท่านนะ่ะยุคลังหลังมานี่ใครทำบุญห้าร้อยนาเกยทอนให้ครึ่งหนึ่งเลยเอามือเอาไปเป็นขวันถุงครึ่งหนึ่งกูเอาครึ่งเดียวแสดงออกถึงความพอพอรู้จักพอรู้จักแบ่งปัน ใคเดือดร้อนนะไปหาแกนะ่แกให้ได้ทีละหมื่นทีละแสนทีละล้านถนะ้าไหวลดตู้เป็นคั น, นๆอย่างเงี้เห็นไมบไม่ใช่เงินแกเนะี่ยเงินโยมวัมาทำบุญแกก็ให้ได้หมดถึงเป็นเงินแกก็เถอะแกก็ไม่ได้ยึดติดว่าเป็นของแกแล้ว ร, ระดับหลวงพ่อคูณเนี่ยโอ้ เขาเรียกว่าทานให้ให้ไปนะยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆเพราะท่านให้ในหลวงไปร้อยกว่าล้านในหลวงให้กลับมาอีกสองรอกว่าล้านให้ไปทําฝายน้ําล้นให้ไปสร้างโรงเรียนอะไรไม่รู้แกเห็นไหมในหลวงก็อยากได้บุญก็ท่านเหมือนกันนะรอเก้านะสมัยรอเก้า ที่สองคืออภัยทานถ้าเรารู้จักให้อภัยกันนะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีเราไม่ไม่ฆ่ากันอย่างทุกวันนี้หรอกพวกนี้มันไม่รู้จักศีลจักธรรมมันเอาแต่อำนาจใครมีอำนาจหมายถึงมีอาวุธมากกว่ากันคนนั้นก็ชนะ คนมีอาวุธน้อยกว่าก็แพ้ไปโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแะแต่านาทั้นทงนี้ก็ต้องรู้จักยุทธวิธีลบด้วยนะไม่ใช่ทหารมากแล้วจะชนะเสมอไปมันก็ไม่แน่ทีทหารน้อยก็ชนะก็ได้ต้องมีปัญญานะแล้วอาภัยกันไปเกิดมาบนโลกใบนี้ อยู่ไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องละกันไปจากกันไปไม่เลกว่าใครทุกคนต้องจากกันไปหมดไม่มีใครจะอยู่กันไปตลอดโชั่วกันนานอะรผิดพลาดพังเผออะไรที่อาัยได้ก็ัยกันไปอาภไป ก็ที่สามเนี่ยให้วิทยาทานเนี่ยให้ความรู้เนี่ยดีกว่าให้เงินเองนะให้เงินให้ไปเต่าไหลเดี๋ยวมันก็ใช้หมดแต่ให้วิชาความรู้ให้เขาได้ทํามาหากินเนี่ยเออคนส่วนมากนะไม่ค่อยมาสนใจเรื่องวิชาหากินท่าไรวิชาหากินก็มีเยอะแยะโอ้ ก็สอนโอ้โอยเยอะแยะเลยเป็นเลือกเขาเถอะไม่ใช่ลงทุนเป็นแสนเป็นล้านลงทุนเป็นหมื่นก็มีไม่ได้อยากเย็นอะไรนะถ้าเรารักวิชาชีพขายอะไรก็ได้โบราณว่าถ้าอยากร่ํารวยให้รีบค้าขายถ้าอยากชิบหายให้รีบเล่นหวยเบอร์โบราณว่าอย่างนั้นนะ มันก็ยังใช้ได้อยู่คำโบราณเราพยายามค้าขายหุงข้าวอย่าเสียดายฐานทําการงานอย่าเสียดายแรงทําการค้าอย่าเสียดายทุนจําไว้เลยหุงข้าวเสียดายฐานใส่ฐานน้อยข้าวก็ดิบเห็นไหม ทำงานเส้นใดแรงใครจะจ้างล่ะพอถึงเงินเดือน ก, ก็เชิญออกแค่นั้นแนหะไม่ทํางานเขาเต็มที่นี่เขาไม่จ้างหรอกเดี๋ยวเนี้ยจริงเดี๋ยวนี้คนตกงานเยอะระวังโจรขโมยก็เยอะนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเรา ว, วังทุกอย่างให้วิชาความรู้ให้เขาขายอะไรก็ได้ขายกุ้ยทอดก็ได้ขายขนมคกก็ได้ขายขนมจีนน้ำยาป่าก็ได้ทำให้มันอนเนกอร่อยทำให้คนติดใจด้วยด หาบเล่มันก็รถเข็นหรือมอเตอร์ไซค์ลากไว้ขนมจีนรถเด็ดมาแล้วเจ้าค้านให้หน้าโมมันไปขายไว้ขายขนมจีนสองสามหมู่บ้านเนะียตะบวันตันทองมีสิบหมู่บ้านเนะี่ยไปขายทุกหมู่บ้านมันจะไม่เหลือลูกทำไปสักร้อยถ้วยวันนวันแรกเนะี่ยร้อยถ้วยโว้กำไร เวลา1ิบาทบาทเห็นไหมล่ะให้เราขายันด้วยนะขายันมาจากคำว่าขายันขยันเนี่ยต้องขยันขยันประกอบสมาอาชีวะขยันะนะสิ่งชั่วมั่วตัญหาขายันพูดแต่สิ่งดีมีเมตตา ยันหาความรู้เชิดชูตนเห็นไหมละ่ะยังขนาดหลวงพ่อยังต้องเรียนเลยเไมละ่ะเชิดชูตนนะทุกวันเราก็เรียนอยู่แล้วถึงเราไม่สมัครเราก็เรียนอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้อ่านเรื่องปฏิจจสมุปาตภาษาธรรมภาษาไทยไอ้ภาษาธรรมภาษาไทย พ่อพุทธทาสเก็เขียนเปรียบเทียบภาษาธรรมภาษาไทยเราจะภาษาธรรมไปพูดให้ชาวบ้านฟังมันไ ม, ม่รู้เรื่องขออภัาายไม่ใจดูถิดดูถูกเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาทางนี้เขาก็ฟังไม่ยังไงเลยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจยกเว้นแต่ผู้ที่เข้าใจสดใจศึกษาเล่าเรียนเออฟังแล้วรู้เรื่องอย่างนั้นมันได้ประโยชน์เลยนะ หนึ่งวัตถุฐานสองอภิยทานสามวิทยฐานในความรู้สัพพทานนางธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานเนี่ยย่อมชนะการให้ทั้งปวงเลยไหมนะชนะทั้งหมดคนเราถ้ามีศีลมีธรรมประจําใจแล้วโอ้ชาตินี้ไม่ต้องไปกลัวใครครับ ทำลายทำร้า ย, ายอะไรนะคือคนดีใครก็จะมาทําร้ายจงเว้นแต่เคาะหามยามสวยขึ้นมาเอออย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันมันถึงวาระหมดอายุหมดบุญหรือแม่ก็เป็นโรคร้ายหรือไม่อุบัติเหตุยเหตุของความตายถึงเวลามันก็ไปเองตายอะไรก็ตายไป อยู่มานานแล้วต่อไปก็ให้ปรมัตตฐานเนี่ยานปารามีสัมปันโนเนี่ยฐานอุป ป, ปารามีสัมปันโนฐานปรมัตปรมัตตาปารามีปรมัติหมายถึงฐานชั้นสูง เช่นบริจาคเลือดบริจาคดวงตาเป็นฐานบริจาคร่างกายเป็นฐานเนี่ยเป็นฐานชั้นสูงเหมือนกับพระเวสสันดรทานกันหาชาลีเนี่ยใครทานได้มังทานลูกเห็นไหมละ่ะลูกเขาจะเป็นกษ่สัตว์ด้วยทั้งสองคน แต่พระเวสสันดรทานเพื่อเป็นสะพานจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าชาติต่ อ, ตอไปทําได้หมดเมืแต่ไม่เหสีนางมัทสีเนี่พระองค์ก็ทานนะแต่พระพรหมรู้ใจพระองค์ก็มาขอไว้ก่อนนะขอนางมัทสีพระพระเวสสันดรก็ประทานให้นะ พระพรมก็แปลงตัวปลอมตัวมามาขอไว้แล้วขอไว้ให้แล้วก็ฝากไว้กับพระเวสสันดรให้ใครไม่ได้ได้ลนะขอไว้แล้วฝากไว้กับพระเวสสันดร น, นางมันซีนี่ก็เมื่อกาเทศก็เด็กเขาแหล่เสียงโอ่สอือกสือื่นโยมผู้หญิงได้ร้องโงมร้องให้กันเนี่ยหกแหลเสียงเล่นเสียงเนี่ย ทางไหนล่ะทางอีสานประเทศลาวเนี่ยแหลเสียงอฟังแล้วก็เพราะดีเหมือนกันแต่มันมันมันผิดอะมันผิดพระวินัยนะไปเล่นเสียงยาวเกินไปทานขึ้นสวรรค์เวอร์นเวอเวเวฟังโอ ขึ้นเวินเวินเลยเป็นภาษาลาวขึ้นไปเรื่อยๆพูดเป็นภาษาไทยนะ่ะเวินเวนขสูงสูงสูงสูงสูงยอมคนเฒ่าคนแก่ฟังเงนนิ่งอย่างนั้นให้กำลังใจคนเฒ่าคนแก่เขาเอาละอะไงก็ว่ากันไปเถอะเป็นีนิยมอย่างนั้นก็ว่ากันไป คือให้ทานสูงสุดก็คือให้ให้สุญญาทานหมายถึงให้ความโรมันสูญสิ้นไปจากใจให้ความโกรธเนี่ยมันสูญสิ้นไปจากใจให้ความหลงเนี่ยมันสูญสิ้นไปจากใจเห็นไหมละ่ะให้ทานถึงนิพพานเลยนะลองให้ความโรธแต่มันเราไม่เอา โลภ ะ, ะโทส ะ, ะมัหะต่อแท่นี้ไปเราใช้คำว่าอะขึ้นหน้าเลยไม่มีโลภะโทสะมูหะแล้วค่อยๆลดเพดานลงมาค่อยๆลดเพดานลดความอยากลดลงมาลดลงมาเช้าวันหนึ่งท่านลดได้นะทุกองค์ทุกท่านทุกคนท่านก็ถึงนิพพาน หมดความโรคความโกรธความหลงจิตที่หมดสิ่งปรารถนานั่นแหละคือพระนิพพานจําไว้เลยที่เราสวดมนต์ตอนเช้านะตอนี้เราก็โอปนะนิีโกน้อมเข้ามาถามใจเราดูเรายังต้องการอะไรอีกไหมญาติโยมก็แน่นอนก็ต้องการดูแลครอบครัวดูแลบุตรธิดาเลี้ยงครอบครัวหำ ม, มาหากินไปจนตายเนะี่ย พราะมันมีแล้วเนี่ยมันไปไหนไม่รอดแล้วครอบครวัวมันครอบไว้หมดแล้วเลหมือนก็นสุ่มครอบไก่ไว้เนี่ยเขาหินทับไว้ด้วยแต่เขาไม่เปิดสุ่มเขาออกไม่ได้เพศของพระเนี่ยเป็นเพศสมณะเนี่ยเป็นเพศที่มันมีโอกาสมากพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างบรารมีเยอะกว่าชาวบ้าน ฉะนั้นเราจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ใช่มาแค่สวดมนต์แค่นี้ทั้งวันน่ะทั้งคืนน่ะแตเรามีสติมีปัญญาเราก็คิดถึงชีวิตเราติเอ๊ะเราจะอยู่ได้อีกนานไหมเนี่ยเราจะบวชได้อีกนานไหมเนี่ยฉะนั้นต้องรีบทําแล้วบา ร, รมีเนะี่ยทานบา ร, รมี เราไม่ทาวันนี้เราจะทําเมื่อไหร่ให้ทานไปด้วยให้ธรรมะไปด้วยบริจาควัตถุทานไปด้วยฉะนั้น ก, การป ร, รบพูดคุยเรื่องทานบา ร, รมีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรก็ขอสมมติจติการกล่าวธรรมะเรื่องทานบา ร, รมีไว้แต่เพียงเท่านี้